คำว่าทรงกําจัดความมืดคือพระองค์เนี่ยกําจัดความมืดอะไรคือความมืดบ้างอะ่ะก็คือทรงบรรเทากําจัดทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความมืดเพระราคะราคะนี่มันทําให้มืดจริงๆเลยนะ่ยบอกว่าโอ้อะไรจะมืดเท่ากับราคะไม่มีหรอกเนี่ยนะใครเตือนก็ไม่ฟังเนี่ยนะถ้าราคะมันแทงก็มันมืดจนแม่พ่อพูดก็ไม่ได้ยินละแม่พูดก็ไม่ได้ยินอุปสรรคอะไรก็มองไม่เห็นทั้งนั้นแหละนะตัณหามันพาไปเนี่ยนะ ประมาเหมือนช้างตกมันเนี่ยมันไม่กลัวขอสักอย่างอ่ะนะราคามันเสียดแทงก็เหมือนกันถ้ามันขอให้มันอยากเถอะอ่ะนะบอกว่าสิ่งที่มนุษย์อยากได้ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ น, นะก็เฮ้ยต้องการอย่างเดียวเถอะนั้นสัตว์เนี่ยมืดจริงๆด้วยอํานาจของราคะราคายอมก็ทําให้มืดหรือโทสะนี่ก็ทําให้มืดแม้กระทั่งว่าถ้ากโกรธพ่อกโกรธแม่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอะไรได้ทั้งหมดเนี่ยโทสะมันทําให้มืดขนาดนั้น อย่างพระโถพระเทวทัศ <wir S 2> <met> ์เนี่ยนะโทสะมันท <W> ําให้แกโกรธมากโกรธแม้กระทั okay. <Yeah. S 2> ่งพระพุทธเจ้านยคิดฆ่าพระพุทธเจ้าเพราไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าโถสะไม่มันทําให้มืดขนาดนั้นทําโมหะมันทําให้มืดมืดขนาดไหนก็มืดถ้ามีแท่ตาเนี่ยเห็นปริบเปรีปีบเนี่แหละแต่มันมืดอ่ะเห็นอริยศาสตร์ไม้เนี่ยนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเห็นอริยศาสตร์กี่ครั้งคิดถึงอริยศาสตร์กี่รอบอ่ะน้อยขนาดนั้นนะเห็นว่ามืดขนาดไหนยัยคุณโชคดีเข้าไปในเมืองเห็นอริยศาสตร์เลยไห ไม่เห็นอ่ะ น, นะมืดจริงๆเลยนะขนาดกลางวันนะเนี่ยกลางคืนจะขนาดไหนเนี่ยนะเพที่ผ่านมาเนี่ยเอาเรื่องอริยสัจมาคิดกี่ครั้งอ่ะคุบัญชูใช่ไหมพอเห็นที่ว่างแหวมสว่างลงไปหมดเออเนี่ยทุกเนี่ะนะมืดจริงๆอ่ะ น, นะเนี่ยความมืดเพราะโมหะทํามืดเพราะมานะก็เย่อหยิ่งจ้องหองเนี่ยนะหรือมืดเพราะทิฏฐิก็เห็นตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิแทน ท, ที่จะเห็นอริยสัจมันก็เห็นตรงกันข้ามอันนะ พอที่จะเห็นบุญเห็นบาปเห็นตรงกันข้ามไปหมดเลยหรือว่ามืดเพราะกิเลสหรือความมืดเพราะทุทจริตทั้งปวงอันทําให้เป็นคนมืดบอดอนราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตเนี่ยนะทำให้ไม่มีจักษุทําให้ไม่มียานแล้วก็ทําให้ปัญญานี้ดับไม่เออเข้าไปทุจริตทั้งหลายที่กล่าวไปเนี่ยเป็นไปในฝ่ายแห่งความลําบากไม่ให้เป็นไปเพื่อนิพานเนี่ยนะ ความมืดทั้งหมดที่กล่าวไปคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิทุจริตที่ทำลายปัญญาเนี่ยนะที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยศัสตร์พระองค์กจัดความมืดเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงแล้วคำว่าเป็นบุคคลเอกทรงบรรลุแล้วซึ่งความยินดีเนี่ยนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นบุคคลเอก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เป็นเอกเนี่ยนะก็หนึ่งในส่วนแห่งบรรพชาสองทรงเป็นบุคคลผู้เป็นเอกเพราะเป็นผู้ไม่มีเพื่อนสามทรงเป็นบุคคลผู้เป็นเอกเพราะละตันหาสี่เพราะปราศจากโทสะห้าปราศจากสี่ปราศจากราคะห้าปราศจากโทสะหปราศจากโมหะเจดปราศจากกิเลสโดยส่วนเดียวแล้วก็แปดประ เสด็จไปตามเอกายนามก้าวก็ตรัสรู้ผู้เดียวคือเป็นผู้เดียวตรัสรู้ซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมก็จะอธิบายไปโดยลําดับเนี่ยนะทั้ง9ข้อข้อแรกที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เอกเพราะส่วนแห่งบรรประชาเนี่ยเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหนุ่มวัยชกันตอนนั้นพระชนมายุเท่าไหร่ยีพรรษาเนี่ยนะ มีพระเกสาดำสนิทยังหน่มแน่นอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระมารดาและพระบิดาไม่ทรงปรารถนาให้พนวดมีพระพักชุ่มด้วยน้าพระเนตรทรงการแสงรำพันอยู่ทรงสละหมู่พระญาตทรงตัดความกังวลในยศทั้งหมดทรงตัดความกังวลในพระโอรสพระชายาตัดความกังวลในพระญาตตัดความกังวลในมิตรอมตตัดกังวลในความสังสม ปลงพระเกศาและพระมะสุข ค, คือเราเนี่ยนะครองผ้ากาสายะทรงเสด็จออกผนวดถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลเสด็จเที่ยวไปยับยั้งอยู่พักผ่อนประพฤติรักษาบำรุงเยียวยาลำพังพระองค์เดียวยนะนะก็เสด็จไปตามลำพงลำพังพระองค์เดียวเรียกว่าทรงเป็นบุคคลผู้เอกเพราะส่วนแห่งบรรประชาอย่างนี้นะเป็นผู้เดียวด้วยการบรรประชาน่ยนะ ต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เอกเพราะไม่มีเพื่อนถามว่าเป็นอย่างไรคือพระองค์ในทรงผนวดแล้วอย่างนี้พระองค์เดียวซ่องเสพเสนาสนะเป็นต่าตาใหญ่ตาน้อยอันสงัดมีเสียงน้อยไม่มีเสียงกึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาควรทํากรรมลับของมนุษย์สมควรแก้วิเวก พระองค์นี้ทรงพระดําเนินพระองค์เดียวประทับยืนพระองค์เดียวประทับนั่งพระองค์เดียวบรรทมพระองค์เดียวเสด็จเข้าบ้านบินทบาทพระองค์เดียวเสด็จออกไปเนี่ยพระองค์เดียวเสด็จอยู่ในที่ลับพระองค์เดียวเสด็จอธิฐานจงกลมพระองค์เดียวเสด็จเที่ยวไปยับยั้งอยู่นะเสด็จพักผ่อนประพฤติรักษาบํารุงเยียวยาลําพังพระองค์เดียวเพรละนั้นพระองค์เนี่ยเป็นบุคคลเอกเพราะไม่มีเพื่อนอย่างนี้นะ คิดดูนะโหเป็นชาติกษัตริย์ด้วยไปอยู่พระองค์เดียวเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นบุคคลเอกเพราะละตัญหาอย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนั้นอะ่ะพระองค์เดียวไม่มีเพื่อนอย่างนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีพระทัยเด็ดเดี่ยวคือสละตนเนี่ยนะสละไม่อาลัยเยื่อใยในร่างกายและชีวิตเนี่ย ทรงตั้งพระมหาประทานคือความเพียรอยู่ที่ควงโรพพฤกษฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงกําจัดมารทั้งเสนาไม่อ น, นะที่ไม่ให้มหาชนเนี่ยไปพ้นตัวมารตัวเสนาเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์แห่งผู้ประมาทพระองค์นี้กำจัดมารทั้งเสนามารเหล่านั้นได้แล้ว่ะทรงละบรรเทาทําให้สิ้นไปซึ่งตันหาเพียงดังข่ายอันให้แล่นไปให้เกาะเกี่ยวในอารมณ์อยู่ ตันหาเนี่ยมันตัวทําให้เกาะเกี่ยวอนะอันเกาะโน่นเกาะนี่นะมันเกาะไปหมดอะนะสมนวนนะ่ะคุณบุญชูคิดไปเหอในเชียงใหม่เนี่ยนะเกาะไปหมดอนะ ต, ด ต, ดติดไปเหมาะนะถนนทุกสายนะติดเกาะหมดอนะเพราะฉะนั้นบโรดเนี่ยมีตันหาเป็นเพื่อนแล่นไปสู่ความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นตลอดกาลนานไม่ล่วงพ้นสงสารไปได้ภิกษุรู้จักโทษนี้รู้จักตันหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ จึงเป็นผู้ปราศจากตันหาไม่มีความยึดถือมีสติพึงเว้นรอบนั่นนะเพราะฉะนั้นรู้โทษของตันหาว่าตันหานี่แหละเป็นแดนเกิดแห่งวัตทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะก็เป็นผู้ปราศจากตันหาไม่มีความยึดถือด้วยตันหามีสติก็มีสติเว้นรอบไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีสติเนี่ยนะถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเอกไยนะเพราะละตันหาเนี่ย อย่างนี้ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เอกเพราะอัตถะว่าเป็นผู้ปราศจากราคะโดยส่วนเดียวก็คือเพราะปราศจากราคะโดยส่วนเดียวเป็นผู้ปราศจากโทสะเพราะว่าละโทสะโดยส่วนเดียวปราศจากโมหะก็เพราะว่าทรงละโมหะเสียแล้วเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ เป็นบุคคลเอกเพราะถาว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวนะส่วนต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้เอกนะบุคคลเอกเพราะเป็นผู้เสด็จไปตามเอกายนามมัคเนี่ยอย่างไรก็คือสติประธานสี่สัมมาประธาน4อิธิบาท4อินทรี่ห้พละหโพชงเจ็อริยมักมีองค์8เรียกว่าเอกายนามมัคเนี่ยนะเป็นธรรมะเป็นหนทางที่ไปแห่งบุคคลผู้เดียว นะบุคคลผู้เดียวละออกจากหมู่เนี่ยเที่ยวไปตามโพธิปัจขิยธรรมสาิบเจ็ประการเนี่ยนะดังคาถาที่ประพันธ์ว่าพระพุทธเจ้าผู้เห็นธรรมะเป็นส่วนสุดแห่งความสิ้นชาติคือพระนิพพานเนี่ยทรงอนุเคราะห์ด้วยพระทัยเกื้อกูลย่อมทรมทราบมัตที่เป็นไปเนี่ยนะที่ไปแห่งบุคคลผู้เดียวที่บัณฑิตทั้งหลายได้ข้ามก่อนแล้วคือพระอริยะทั้งหลายก็ข้ามด้วยโพธิปัจขิยธรรมเหล่านี้แหละ พระอริยะที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ข้ามวัตะด้วยโพธิปักจะธรรมเหล่านี้หรือพระอริยะที่อยู่ในปัจจุบันย่อมข้ามโอคะด้วยมักคือโพธิปัจจะธรรมเหล่านี้นี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลเอกเพราะเป็นผู้เสด็จไปตามเอกายนามกอย่างนีนนะ้ก็ไปตามทางทางสายเดียวเพื่อความหมดจดจากวะตะัตตเนี่ยนะก็คือโพธิปัจจะธรรมนั่นเอง มีสติประธานสี่สัมมะประธาน4อิทธิบาท4ีอินรี่ห้าพละหา 5, โพธชงเจอริยมรตมีองค์8ต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เอกเพระถาว่าเป็นผู้เดียวตรัสรู้ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมถามว่าเป็นอย่างไรก็คือญาณปัญญาปัญญีสีปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชงวิมังสาวิปัสนาสัมมาทิฐิในมรตสีเรียกว่าโพธ ด้วยโพธิยานนั้นคือด้วยญาณในมัคสีนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ว่าสังขารทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมมาอนาตาัตตาตรัสรู้ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยจนถึงตรัสรู้ว่าชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณนะเรียกว่าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมอย่างตลอดสาย ตรัสรู้ว่าพระวิชาดับสังขารจึงดับตรัสรู้ว่าสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงว่าตรัสรู้ว่าเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับเนี่ยนะพงศ์ก็ยังตรัสรู้ว่านี้ทุกนี้เหตุแห่งเกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็คือตรัสรู้อริยสัจสี่เมื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อย่างนี้ก็รู้ว่านี้อาสวะนี้ ه, เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ ประตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรเจริญธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งพระองค์ยังตรัสรู้เหตุเกิดความดับอาสาท า, ธาอาทีนวะนิสระแห่งภาษายตนาหกอุปาทานขันห้ามหาภูตรูปสี่จนถึงตรัสรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวล น, นั้นรูน้นแต่มีความดับไปเป็นธรรมดา อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ตามตรัสรู้ตรัสรู้เฉพาะตรัสรู้พร้อมตรัสรู้ชอบทรงบรรลุทรงได้เฉพาะทรงถูกต้องทรงทาให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ควรตรัสรู้ควรตรัสรู้เฉพาะควรตรัสรู้พร้อมควรบรรลุควรถูกต้องควรทำให้แจ้งทั้งปวงด้วยโพธิญาณคือญาณในมรรคสีนั้นน่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เอกเพราะเป็นผู้เดียวตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอย่างนี้นะตรัสรู้โดยลําพังพระองค์เองนะแต่บุคคลอื่นนะเว้นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกผู้อื่นต้องอาศัยบุคคลอื่นเป็นเพื่อนอย่างที่เราศึกษากันอยู่นี้ถ้าจะบรรลุได้ก็เพราะมีคําสอนเนี่ยเป็นเพื่อน ถ้าเราไม่อาศัยคําสอนเป็นเพื่อนเนี่ยบรรลุเองได้ยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อาศัยทำที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แนะนาเอาไว้ไม่มีโอกาสไม่มีทางรักที่จะตรัสรู้ได้เนี่ยนะที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้ซึ่งความยินดีเนี่ยนะบุคคลเดียวที่บรรลุแล้วซึ่งความยินดีคําว่าความยินดีคืออะไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุทรงถึงเฉพาะทรงถูกต้องทรงทําให้แจ้งซึ่งความยินดีในเนคขมะ เนี่ยนะซึ่งความยินดีในความสงัดยินดีในความสงบยินดีในสำโพธิญาณคือความตรัสรู้เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าบุคคลเอกบรรลุแล้วซึ่งความยินดีสรุปคาถาที่กล่าวไปเนี่ยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผู้มีพระจักสุย่อมปรากฏเด่นชัดแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะพระองค์นี่มีจักสุห้าประการเนี่ยนะมังสะจักสุเป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงกำจัดความมืดเนี่ยนะความมืดด้วยราคะโทสะโมหะเป็นต้นพระองค์นี้เป็นบุคคลเอกเนี่ยนะบุคคลเอกตั้งแต่การบวชจนถึงบุคคลเอกโดยการตรัสรู้เนี่ยนะสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยบรรลุซึ่งความยินดีก็คือบรรลุเนคข ม, มะความสงัดความสงบโพธิญาณเนี่ยเรียกว่าเป็นความยินดีอย่างแท้จริง คาถาต่อไปก็กล่าวว่าเรามีความประสงค์ด้วยปัญหาเนี่ยนะก็คือภาษาริบุตรเนี่ยท่านบอกว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ด้วยปัญหาเนี่ยจึงเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่อาศัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไม่อาศัยผู้คงที่ผู้ไม่หลอกลวงผู้มาเป็นคณะผู้มาเป็นคณาจารย์ของคนหมู่มากซึ่งเนื่องในาศาสนานี้ น, นะภาษาริบุตรท่านก็มาประสงค์จะมาถามปัญหา จริงท่านถามปัญหาเพื่อลูกศิษย์ท่านนะไม่ได้ถามปัญหาเพื่อตัวท่านหรอกที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะ่ะก็มาจากคำว่าผู้โทผู้โทเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอนะ่ะผู้เป็นพระสยามภูตรัสรู้เองไม่มีใครเป็นอาจารย์คือตรัสรู้สัจจะทั้งหลายเองในธรรมะทั้งหลายอันพระองค์ไม่เคยสะดับมาก่อน พระ อ, องค์นี่ตรัสรู้ในสิ่งที่ไม่เคยฟังเนยนะอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่นะทุกเป็นปริญยยธรรมอภินยยาทุกเป็นปริญยยธรรมสมุทัยเป็นปหาตปธรรมนิโรธเป็นสัจจิกาตปธรรมมรรคเป็นภาเวตัปธรรมพระ อ, องค์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะสามารถที่จะวินิจฉัยไข้ครวญวิเคราะห์ได้ด้วยลําพังพระ อ, องค์เองเนี่ยนะพันพระ อ, องค์เนี่ยเป็นสยามภูจริงๆไม่มีอาจารย์ตรัสรู้สัจจะ4ในสิ่งที่พระ อ, องค์ไม่เคยฟังมาก่อนเลย แล้วพระองค์ก็บรรลุถึงความเป็นพระสัพพันธ์อูรู้สรร พ, พสิ่งในความตรัสรู้นั้นเนี่ยนะรู้อย่างท่วนทั่วทุกกระบวนความว่าพระอริยะในอดีต ท, ท่านตรัสรู้ยังไงพระอริยะต่อไปในอนาคตจะตรัสรู้ยังไงจะแนะนําประชุมชนได้ยังไงเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้สรร พ, พสิ่งว่างั้นส่งถึงความเป็นผู้ชํานาญในพระธรรมทั้งหลายทีนี้ถามว่าคําว่าพุโทโธเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไร ชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือพุทโธเนี่ยมีความหมายว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายก็คือตรัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งก็ตรัสรู้ทั้งสมมุติสัจจะเนี่ยนะหรือปรมาทสัจจะนี่ก็ตรัสรู้หมดแหละ